นั่งฟังวิ่จากพราพูดแปลงเือนานนะนะฟฟ ะ, ะ, ะฟังหน่อยได้ปะรับะ่ที่มารวมกันนี่เป็นกลุ่มคณะอะไรนะเดกันอยู่ที่วัดเขาใหญ่ที่เขาใหญ่ที่ไหนข้องถูไทยท้องูไทยอ่าหมวดนานไหม บวชมานานนั่นเลยบวชช่วงต่อช่วงปลายดีอ่าบวชนอกพรรษานี่นะตอนนี่บวชีนบวชบวชที่คนเดียวหรือว่าบวชเป็นกลุ่มบวชน้องชายน้องใวช้องชายหรืออ่้องชายส่วนที่เจอที่วัดบวชที่วัดไหยหรือว่าเปต้องไปบวชที่อื่น ตอนที่อยู่มีพระเยอะไหมประมาณสประมาณองคบหสิบมีกุติอยู่กันอยู่ห่างไกลกันไหมกุติมองไม่เห็นกันนะอธรรมดาวัดป่าจะเป็นยังไงกุติจะมองไม่เห็นกันเพื่อให้มีความวิเวก ม, มีความรู้สึกว่าอยู่คนเดียวเพาการจะเจริญความสงบของจิตของใจกายต้องอยู่ในสภาพที่สงบก่อนคือสงบก็คือหมายความว่าอยู่ตามลำพังอยู่ห่างไกลจากบุคคลต่างๆเหตุการณ์ต่างๆห่างไกลจากแสงสีเสียง ทางกายจากรูปเสียงกลิ่นรสผภัณ์ณที่จะมารบกวนใจทำให้ใจคิดฟุ้งซ่านทำให้ใจเกิดอารมณ์อยากต่างๆขึ้นมาถ้ามีอารมณ์แล้วก็จะเป็นนิวรณก็คืออุปสรรคที่จะทำให้ใจสงบนิวรณตัวนี้เราเรียกว่าการมาฉันทะความ ยินดีในรูปเสียงกิน่นรสโภพภะโดยปกติจิตใจของพวกเราทุกคนจะมีความยินดีในรูปเสียงกิน่นรสโภพภะถ้าอยู่ใกล้แล้วมันก็เหมือนกับไฟกับน้ําไฟกับน้ํามันมันจะลุกขึ้นทันทีถ้าไม่อยากจะให้ไฟลุกเขาจึงมักจะเก็บน้ํามันกับไฟไว้ ห่างไกลกันถ้าอยู่ใกล้กันแล้วไยจะลุกฉันใดถ้าตาหูจะเบกลิ้นกายไปอยู่ใกล้กับรูปเสียงกิริยโธตุะปะก็จะเกิดกามารมณ์ขึ้นมาเกิดกามฉันทะขึ้นมาพอเกิดกามฉันทะก็จะเกิดความรุ่มร้อนขึ้นมาความฟุง้งซ่านตามมาก็จะทำให้ไม่สามารถ ทำใจให้สงบได้ที่การบวชนี่ด้วยการปฏิบัติธรรมนี่เป้าหมายของเราก็อยู่ที่การทําใจให้สงบเพราะไม่มีความสุขอันใดที่จะดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบผู้ที่บวชหรือผู้ที่ปฏิบัติธรรมนี้มีจุดมุ่งหมายมีเป้าหมายอยู่ที่การ หาความสุข น, นี้หาความสุขที่เกิดจากความสงบของใจจึงจําเป็นต้องทิ้งความสุขที่ได้จากการเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสปุถุพะปาเพราะเคยเสบมาแล้วตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันก็ไม่เคยอิ่มไม่เคยพอไม่เคยดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจ ให้หมดไปได้เลยจึงต้องสละความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายทางรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัาแล้วก็ออกไปปรีกวิเวกไปบวชบ้างไปอยู่ถือศีลถือศีลแปดศีลสิบบ้างสุดแท้แต่กรณีความเหมาะสมของแต่ละบุคคลแต่เป้าหมายก็มีเป้าหมายอันเดียวกัน ก็คือจะแสวงหาความสุขจากความสงบของ จ, จิตใจเพราะเป็นความสุขที่สะอาดบริสุทธิ์เป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมาไม่เหมือนกับความสุขที่ได้รับจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเป็นความสุขที่ปนไปด้วยความอยาก เมื่อเสพแล้วแทนที่จะเกิดความอิ่มความพอก็จะเกิดความอยากที่จะเสพเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อมีความอยากขึ้นมากไปเรื่อยๆก็จะมีความทุกข์เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะความอยากนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจดังนั้นการเสพความสุขทางตาหูจมู ก, กลิ้นกาย จึงไม่ได้เป็นการเสพความสุขแต่เป็นการเสพความทุกข์ผู้ที่ฉลาดถึงมีปัญญาจะเห็นโทษของการเสพรูปเสียงกลิ่นรสปุถุพะจึงต้องเจริญในคัมภีบารมีก็คือออกจากกามสุขออกจากรูปเสียงกลิ่นรสปุถุ ด้วยการถือศีลแปดถือศีล 10, สิบศีลสองรีเจเป็นศีลของนักบวชแล้วก็ออกไปปีกวิเวกไปหาสถานที่สงบสงัดห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏพะชนิดต่างๆที่จะคอยหลอกล่อให้เกิดอารมณ์เกิดกามอารมณ์เกิดความอยาก เกิดกามฉันทะขึ้นมาถ้ามีกามฉันทะก็จะยากต่อการที่จะทำใจให้สงบได้แต่ถ้าไปอยู่ที่ห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสปุถุพะละโอกาสที่จะเกิดการมฉันทะขึ้นมาก็จะน้อยมากแล้วถ้ามีความระมัดระวังคอยควบคุมความคิดอยูด ทุกเวลานาทีไม่ให้ปล่อยไปคิดถึงเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสปวดตาปพากามาฉันทะก็จะเกิดขึ้นมาไม่ได้ความสงบก็จะปรากฏขึ้นมาแทนถ้าไม่มีกามฉันทะกามฉันทะสงบลงไปความฟุ้งซ่านสงบลงไปความสงบก็จะปรากฏขึ้นมานี่คือสาเหตุที่วัด ป่านี้จะตั้งกุฏิไว้ให้ห่างไกลกันไม่ให้เห็นกันไม่เห็นไม่ให้ได้ยินเสียงกันถ้าเห็นกันปับ๊บมันจะเกิดอารมณ์ปรุงแต่งขึ้นมาถ้าได้ยินเสียงปัมันก็จะเกิดอารมณ์ปรุงแต่งเกิดความคิดขึ้นมาแล้วก็จะเป็นเรื่องเป็นราวยาวไปเกิดอารมณ์ขึ้นมาบางครั้งก็ต้องไปคุยกัน เห็นหน้ากันแล้วก็อดที่จะต้องทักทายกันไม่ได้ถามถึงสารแล้ทุกข์สุขดิบกันไม่ได้เกิดเป็นห่วงเป็นยาใจกันขึ้นมาทันทีทั้งๆที่นานทีปีหนไม่เคยสนใจกันเลยแต่พอไปอยู่คนเดียวนี่มันเกิดอาการเหงาว้าวเอเศร้าสร้อยพอเห็นคนสักคนนี่เหมือนกับได้เหมือนกับต้นไม้ได้น้ํามันมันดีอกดีใจโอ้อย ได้เจอเพื่อนแล้วได้มีเพื่อนแล้วมีเพื่อนคุยแก้เหงาแล้วนี่คือเป็นธรรมชาติของใจที่ยังไม่มีความสงบจะเป็นอย่างนั้นจะชอบคิดปรุงแต่งอยู่คนเดียวก็คิดเอือยิ่งมีคนมาช่วยมาอยู่คุยด้วยยิ่งยิ่งสนุกใหญ่เพราจะได้มีเรื่องคุยกันยาวแก้เหงาค่าเวลาผ่านไปแต่จะไม่ได้รับประโยชน์ จากการทําใจให้สงบครูบาอาจารย์ท่านคอยเข้มงวดกวดขันมากเรื่องของการคุกคลีกันจะคอยเดินตรวจวัดอยู่เรื่อยดูว่าพระจะจับกลุ่มคุยกันหรือเปล่าเวลาถ้าจับกลุ่มคุยกันเวลาครูบาอาจารย์เดินมานี่เหมือนกับลูกระเบิดแตกกระจายกันไปเลยวิ่งกันไปคนละทิศคนละทาง ไม่ต้องมารอให้ท่านไล่ถ้าพระป่านี่ถ้าเผือเพอนั่งคุยกันครูบาอาจรนั่นเดินผ่านมานี่ก็โจรเลยพอเห็นปั๊บไม่ต้องมารอให้ท่านไล่รู้รู้กฎกติการะเบียบของพระป่าว่าเราจะไม่คุกคีกันเราจะไม่สังคมกันเราจะมาปรึกวิเวกมาเจริญสติมาควบคุมความคิดควบคุมนิวรณ์ต่างๆ เพื่อมาทำใจให้สงบเพราะถ้าใจสงบแล้วจะได้ความสุขที่ไม่มีอะไรในโลกนี้เสมอเหมือนอันนี้แหละครูบาอาจารย์ท่านถึงพยายามคอยกีดกันไม่ให้ม า, าจับกลุ่มกันพยายามไล่ให้เข้าไปสู่ที่ปฏิบัติของตนเวลาออกมาที่ที่ไม่ควรจะออกมาท่านท่านก็จะไล่กลับเข้าไป ที่ที่ชอบออกมากันก็คือที่ฉันน้ำปาณะกันที่นั่นก็มีรูปเสียงกลิ่นรสของเครื่องดื่มชนิดต่างๆแต่ท่านก็เห็นใจเรื่องของร่างกายว่าจาเป็นจะต้องมีน้ำมีอะไรบ้างก็อนุญาตให้ดื่มกันได้วันละหนึ่งครั้งเช่นในตอนบ่ายตอนก่อนจะปัสสาวาเนื่อหลังจากปัสสาดแล้ว ก็เดือน้ำเดือน้าชากาแฟน้ำปานะอะไรต่างๆแต่ท่านก็ต้องคอยมาเดินดูอยู่เลยว่าอยู่กันนานหรือไม่ถ้าอยู่นานเกินควรเดี๋ยวท่านก็เชิญให้กลับไปสู่ที่พักกันธรรมดานี่จะจะจะรู้กันถ้ามัเดินมาเห็นกันครั้งแรกไม่เป็นไร แตท่านยังถ้ากลับมารอบสองเห็นกันอีกนี่แสดงว่าถึงเวลาต้องไปแล้วเพราะสมควรแก่เวลาแล้วท่านจะเดินมาเป็นรอบๆรอบหนึ่งสักสิบนาทียี่สิบนาทีก็เดินกลับมาอีกรอบหนึ่งพอเห็นรอบสองยังเห็นเห็นคนเก่าอยู่นี่เดี๋ยวก็โดนแล้ถามแล้วว่าทําไมทําไมไม่ไปเดินจงกรมทําไมไม่ไปนั่งสมาธิกันเอ มานั่งคุยกันมาดื่มน้ำชากาแฟแกันทำไมดื่มพอแล้วดื่มจริงๆ5ห้านาทีก็เสร็จแล้วแต่ความที่มันไม่ชอบภาวนาความที่มันชอบคุยกันชอบเสบรูปเสียงกลิ่นรสผดส พ, พะกันมันก็ทำให้นั่งแช่กันได้เป็นชั่วโมงถ้าไม่มีครูบาอาจารย์มาคอยควบคุมเนี่ย บาทีนั่งคุยกันเป็นชั่วโมงเลยคุยกันไปก็เดิมกันไปหาขนมมาฉันกันหานมขนมนมเนยอะไรที่ฉันได้ในตอนบ่ายก็เอามาฉันกันพอฉันมากๆก็อิ่มก็กลับไปก็นอนต่อไม่ได้ไปเดินจงกรมไม่ได้ไปนั่งสมาธิการปฏิบัติการบวชแบบนี้ก็มักจะไม่เกิดผลขึ้นมา พอาะถูกนิวรนคอยครอบนำพอเดื่ดมากๆฉันมากๆอิ่มก็ง่วงนอนเกิดความง่วงเหงาเหานอนอันนี้ก็เป็นนิวรนอีกอันหนึ่งเวลาคุยกันคุยไปคุยมาก็มีทะเลาะวิวาสกันก็เกิดความพุ่งสร้างขึ้นมาเกิดความโกรธขึ้นมาก็เป็นนิวรนอีกเหมือนกันนี่แหละสาเหตุที่ทํำไมครูบาอาจารย์ท่านถึงต้องคอย ควบคุมบังคับให้ลูกศิษย์ลูกหาคอยปิกวิเวกอยู่เรื่อยๆให้อยู่ที่พักอยู่ที่ปฏิบัติของตนไม่ให้มาอยู่ในที่มีรูปเสียงกลิ่นรสปศะพรอไม่ให้มานั่งผนทนาคุยกันเพราะมันเป็นโทษมากกว่าเป็นคุณถ้าจะเป็นคุณก็ต้องมาแบบเดิมแบบเดิมยาเด่มเส่เข้าไปเลย ดื่มเพื่อร่างกายไม่ได้ดื่มเพื่อกิเลสตัณหาความอยากไม่ได้ดื่มเพื่อการมาฉันทะดื่มเพื่อให้ร่างกายได้ยาคืนได้กําลังได้พลังเนื่องจากฉันมื้อเดียวอาจจะอาจจะหิวในตอนบ่ายขาดพลังงานขาน้ําตาลขาดอะไรก็ อ, รอนุญาตให้ดื่มน้ำปลาหนะดื่มน้ําชากาแฟได้แต่ดื่มแล้วก็ให้ไป ปาบ้านตาตสมัยแรกๆนี้น้ำปนานะนี่ท่านจะให้เด็กลูกศิษย์ต้ชมชงโกโก้ใส่กาไว้กาหนึ่งพอถึงเวลาฉันก็ให้ลูกศิษย์เทใส่ถ้วยแล้วก็ประเคนพระกรดถ้วยกรดถ้วยเดิม5ห้านาทีก็เสร็จละไปได้แล้ะจบแต่ระยะหลังนี้มีการพัฒนากลายเป็นเหมือนร้านกาแฟไปมีหม้อต้มน้ำมี กาแฟมีชามีน้ำตาลมีน้ำอัดมมีน้ำแข็งอะไรให้เลือกฉันได้ตามอัธยาศัยมันก็เลยฉันกันยาวฉันกันนานฉันกันมากเลยทำให้เกิดความขี้เกียจเวลาอิ่มแล้วก็ไม่อยากจะเดินจงกรมไม่อยากจะภาวนาอยากจะนอนดังนั้นผู้ที่ปฏิบัติ ต้องาำนึงถึงเรื่องนี้ให้มากเรื่องของนิวรณ์เรื่องของกามาฉันทะเอย่าไปติดกับรูปเสียงกิดลดฝนเถอะพระถ้าเราไปปฏิบัติแล้วนี้เราตัดมันได้ตัดไปเลยดื่มแต่น้ําเปล่าไปตอนเช้าก็ฉันมื้อเดียวฉันเสร็จแล้วตอนบ่ายก็ไม่ต้องกังวลเรื่องน้ําป่านะดื่มแต่น้ําเปล่าไปไม่ตายรับรองได้ถ้ามีน้ําดื่มแล้วไม่ตาย เนี่อาหารฉันว่ารับประทานมวลาหนึ่งมื้อนี่พอเพียงกับความต้องการของร่างกายแล้วถ้าตั้งสัจจะอธิษฐานอย่างนี้ได้ก็จะช่วยกําจัดเรื่องของกรมฉันทะไปได้กําจัดเรื่องความฟุ้งซ่านกําจัดเรื่องของความโกรธได้กําจัดเรื่องของความง่วงเหงาเหานอนได้เพราะว่าไม่จะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องน้นําปานะเลย จะไม่ไปคคุกคีคุยกันถ้าคุยกันแล้วเดี๋ยวมันก็โอดที่จะถกเถียงกันไม่ได้บางทีมีความเห็นไม่ตรงกันคุยกันไปคุยกันมาก็กลายเป็นการทะเลาะวิวาทกันไปโต้เถียงกันไปก็จะเกิดอารมณ์โกรธขึ้นมาได้อพอโกรธแล้ว น, นี่เวลาจะไปเดินโยกมนนั่งสมาธิมันก็ไม่สงบดังนั้นถ้าเราถือหลัก ของผราที่พระทุดงได้เนะีคือผ้าทุดงที่ท่านไปทุดงในป่าไปอยู่กับชาวป่าชาวเขาหรือชาวบ้านนี้ท่านจะไม่มีน้ำปานะเดือดนะท่านจะบินทะบาดกับชาวบ้านได้อาหารมาตอนเช้าก็กลับไปที่พักฉันเสร็จแล้วก็ไม่มีละอย่างมากก็มีแต่น้ำเปล่าหรือต้มน้ำต้มแล้วก็เดือดกับใบชา เ น, นั้นเองหรืบางท่านท่านก็ใช้ดืิมลากไม้ต้นไม้นี่จะเป็นเหมือนยาท่านเอาลากไม้หรือเอาแก่นไม้เนี่ยมามาต้มดื่มเป็นยาได้เท่า น, นี้ก็พออยู่คนเดียวไปทุ ด, ดงไปวิเวกนี่ต้องไปคนเดียววันนึงจะได้ไม่ต้องยุ่งกับใครไม่ต้องคุยกับใครแล้วจะได้มีเวลา ภาวนาตลอดวันถ้าอยู่ที่วัดนี้มันกว่าจะได้ภาวนาบางทีก็สายเพราะมีภารกิจทางบินตบาทแล้วก็มีศรัทธ า, ญญายาิโยนมาที่วัดมาถวายอาหารต่อกว่าจะได้ฉันกันกว่าจะฉันเสร็จกว่าจะกว่าถูสาราทำกิจอะไรใสร็เก็สายถ้าไปอยู่ทุดงคนเดียวนี่บินตบาตกลับมา20นาทีก็ฉันเสร็จล้างบาทเสร็จแล้ว นี่ก็มีเวลาว่างที่จะเดินจงกรมนั่งสมาธิไปจนถึงเวลาพักผ่อนหลับนอนในตอนกลางคืนเลยปัดกวาดแค่ที่นิดเดียวเนี่ยที่ต้องออกตุ้ดงออกไปวิเวกันก็เพราะว่าเวลาที่อยู่ที่วัดมันมีภารกิจอย่างอื่นที่ต้องคอยช่วยเหลือกันเพราะว่ามีคนมากมีญาติโยมเข้าไปมากมีพระเนนเข้าไปมาก ก็มีภ า, ารกิจที่จะต้องคอยดูคอยช่วยกันทํากูบาจานท่านถึงปีกวิเวกันเวลาที่ท่านต้องการที่จะเล่งความเพียรท่านจะไปทุ่ดงกันตามลาพังถ้าไปด้วยกันสององค์หรือสามองค์เวลาไปปรกกฏก็จะปากกฏให้ห่างไกลาจากกันไม่ให้อยู่ใกล้กันไม่ให้เห็นหน้ากันนี่คือความ จำเป็นสำหรับผู้ที่ต้องการความสงบต้องการความสุขที่เกิดจากความสงบต้องการหลุดพ้นจากความทุกข์ต้องบังคับตัวเองให้ไปอยู่ในสถานที่อย่างนั้นเราก็ต้องบังคับตัวเองให้เจริญสติอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนดับนี่จะไม่ปล่อยให้ใจเผลอไปคิดเรื่องราวต่างๆ จะควบคุมด้วยการบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปก็ได้หรือควบคุมให้อยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายให้เฝ้าดูทุกอิริยาบทการเคลื่อนไหวของร่างกายการกระทําของร่างกายให้เฝ้าดูอยู่ตลอดเวลาไม่ให้ใจส่งไปที่อื่นเช่นกําลังยืนก็ให้เฝ้าอยู่กันว่ากําลังยืนกําลังเดินกําลังนั่ง กำลังทําอะไรก็ให้เฝ้าดูไปอันนี้เรียกว่ากายกตาสติคือให้มีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายการกระทําอะไรของร่างกายถ้าไม่ได้ทําอะไรก็ให้พิจารณาอาการสามสิบสองของร่างกายให้ดูว่าร่างกายนี้ประกอบขึ้นมาด้วยอะไรมีอะไรบ้าง ร่างกายก็มีผมขนและบปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกน้ำหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองศีรษะน้ำดีน้ำเสลน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำมันข้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูดน้ำไขข้อน้ำมูดนี่คือส่วนประกอบของร่างกาย ที่ไม่มีตัวตนตัวตนนี้ไม่มีในร่างกายมีแต่อาการ32ผมนี้ไม่ใช่ตัวตนขนไม่ใช่ตัวตนไม้ฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไม่ใช่ตัวตนเราไปสมมุติมันขึ้นมาเองว่าเป็นตัวเราของเราเราก็คือใจใจที่มาครอบครองอาศัยร่างกายนี้เป็นเครื่องมือในการทำอะไรต่างๆ ไปหลงก็ไปหลงคิดว่าเป็นตัวเราของเราแท้จริงแล้วมันเป็นเพียงอาการสาสิบสองไม่สวยไม่งามสวยแต่เฉพาะเปลือกภายนอกสวยเฉพาะส่วนผิวหนังที่ครอบคุมเนื้อเอ็นกระดูกกับอวัยวะต่างๆถ้ามองทะลุเข้าไปใต้ผิวหนังแล้วก็จะไม่เห็นความสวยงามเลย จะมีแต่อาการต่างๆที่ไม่น่าดูเช่นปอดหัวใจตับไตลำไส้ลำไส้ใหญ่ลำไส้น้อยแล้วก็สิ่งปฏิกูลต่างๆน้ำต่างๆนี่เป็นปฏิกูลทั้งนั้นน้ำเลือดน้ำหลองน้ำเหงื่อน้ำมันค้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกของเ่านี้ส่งกิ่นเหม้นถ้ามันถูกขับออกมาทางร่างกาย พิจารณาให้เห็นความไม่สวยงามเพื่อลบล่างความหลงที่ไปเห็นว่าร่างกายนี้สวยงามน่ารักน่าชื่นชมยินดีหน้าร่วมหลับนอนด้วยนักบวชถ้าไม่พิจารณาแล้วจะสู้การมาหลงไม่ได้พอเผลอก็จะนึกถึงแต่หน้าตาที่สวยงามหน้าตาที่หล่อเหลา แต่ไม่นึกถึงกระดูกบ้างไม่นึกถึงกระโหลกศีสะบ้างไม่นึกถึงสิ่งที่เป็นปฏิกูลต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายนี้บ้างก็จะทำให้เกิดความลุ่มหลงเกิดการอารมณ์ขึ้นมาก็าจะไม่สามารถรักษาสินของนักบวชได้ที่บวชแล้วต้องลาสิขากันไปก็เพราะว่าไม่มองไม่เห็นความไม่สวยงามของร่างกายนี้เอง ยังเห็นว่าร่างกายนี้สวยงามยังอยากอยู่ใกล้ชิดยังอยากจะร่วมหลับนอนกับเขาแต่ถ้าได้พิจารณาอาการสามสิบสองของร่างกายอยู่เรื่อยๆจนหลับตาก็เห็นหลืมตาก็เห็นนี่ต่อไปจะไม่มีการอารมณ์เห็นใครที่ใดก็เห็นทะลุก็ไปทุกสัตว์ทุกส่วนไม่เห็นแต่เฉพาะหน้าตา ส่วนใหญ่เราจะเห็นแค่หน้าตาเห็นแค่รูปร่างเห็นแค่ทรงผมแค่นี้ก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาแล้วแต่ถ้ามองให้ครบทั้ง32อาการนี่มันจะไม่มีรู้สึกมีการอารมณ์ไดๆการที่จะเห็นอย่างนี้ได้ก็ต้องพิจารณาอยู่เนืองๆพิจารณาอยู่เรื่อยๆ เ, เหมือนกับการท่องสูตรคูณ ต้องหัดท่องไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันขึ้นใจถ้าขึ้นใจแล้วไม่ต้องท่องพอเห็นตัวเลขปั๊บมันก็ได้คําตอบสองคูณสองเท่าไหร่มันก็จะได้คําตอบขึ้นมาทันทีแปดคูณแปได้เท่าไหร่มันจะโผล่ขึ้นมาทันทีอันนี้ก็เหมือนกันถ้าพิจารณาอาการสาสิบสองอยู่เรื่อยๆแล้วต่อไปเวลามองใครนี้จะเห็นหมดเห็นทั้งอาการสาสิบสองไม่เห็นแต่เฉพาะผิวหนังที่ครอบ คุมเนื้อเอ็นกระดูกกระโหลกศีรษะเวลามองหน้าคนนี้มองเห็นกระโหลกศีรษะกันบ้างหรือเปล่านรือเห็นแต่ผิวหนังที่ครอบอยู่ข้อกะโหลกศีรษะอยู่เท่านั้นอันนี้แหละคือการเจริญสติการเจริญปัญญาเพื่อร่า ง, งับตับการอารมณ์ต่างๆถ้าปฏิบัติอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วใจก็จะสงบเย็นสบาย มีความสุขไม่ต้องมีร่างกายของใครมาเป็นเครื่องมือให้ความสุขกับเราสามารถอยู่คนเดียวได้แต่ไม่รู้สึกเหงาหงอยเศร้าซ้อยไม่รู้สึกว้าเวอันนี้แหละเป็นคุณเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ออกปฏิบัติออกบวดกัน ถ้าไม่พิจารณาอาการสาสิสองแล้วพอเผลอมันก็จะไปคิดถึงรูปร่างหน้าตาที่สวยงามหล่อเหลาขึ้นมาคิดแล้วก็อยากจะกลับไปหาเขาอยู่คนเดียวรู้สึกมันเหงาว่าเหวยอย่างไรถ้าคิดบ่อยๆเข้าผ้าก็จะร้อนอถ้าเป็นนักบวชจีวรก็จะร้อนอก็จะทนอยู่ไม่ได้ ถ้าอยู่ก็อยู่แบบมีเรื่องมีราวให้เขาต้องมาคอยจับศึกทีหลังอยู่แบบแอบบไป ม, มีอะไรแต่ถ้าถ้าไม่อยากจะมีเหตุแบบนี้ก็ลาศิกขาลาเพศกันไปล้มเหลวการบวดการปฏิบัติก็ปาว่าล้มเหลวไม่ได้พบความสำเร็จเพราะว่าไม่เจริญ ไม่พิจารณาร่างกายอยู่เรื่อยๆนั่นเองไม่เจริญกายกตาสติปล่อยให้ใจลอยไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆบุคคลต่างๆที่ทําให้เกิดความอยากขึ้นมาเกิดการอารมณ์ขึ้นมาพอเกิดการอารมณ์นี้ใจมันจะลุกขึ้นเป็นไฟเลยจะจะไม่มีความสุขเลยอยู่เฉยๆอยู่คนเดียวอยู่ไม่ได้ ดังนั้นผู้ที่ปฏิบัติเพื่อต้องการความสงบสุขนี้จึงจำเป็นจะต้องพิจารณาร่างกายนี้ให้เห็นอย่างท่องแท้ว่าไม่สวยไม่งานอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ต้องพิจารณาว่าร่างกายนี้เป็นเพียงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟไม่มีตัวตน ส่วนที่แข็งก็เรียกว่าเป็นธาตุดินส่วนที่เหลวก็เป็นธาตุน้ำส่วนที่ร้อนก็เรียกว่าธาตุไฟส่วนที่ไหลเข้าไหลออกลอยเข้าลาย อ, อลา ย, าลายออกก็เรียกว่าธาตุลมเช่นลมหายใจหายเข้าหายออกนี่ก็เป็นธาตุลมธาตุไฟก็คือความร้อนที่มีอยู่ในร่างกายธาตุดินก็ส่วนแข็งต่างๆเช่นผมขนเม็ดฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูก ต้าน้ำก็คือน้ำต่างๆน้ำเลือดน้ำดีน้ำเสลดน้ำเหลืองพิจารณาให้เห็นว่าร่างกายนี้ก็เป็นแค่ดินน้ำลมไฟนี่เองเวลามาเวลาเจริญเติบโตขึ้นมาก็ต้องอาศัยดินน้ำลมไฟอาหารที่รับประทานเข้ามาก็เป็นดินน้ำลมไฟข้าวก็ต้องมีน้ำมีดินมีลมมีไฟ ข้าถึงจะเจริญ ง, งอกงามขึ้นมาออกรวงออกเมล็ดข้าวขึ้นมาได้น้ำที่ดื่มเข้าไปก็เป็นธาตุน้ำลมที่หายใจเข้าไปหายใจออกมาก็เป็นธาตุลมร่างกายนี้ก็คือธาตุสี่ดีๆนี่เองคือดินน้ำลมไฟพอถึงเวลาที่เขาจะหยุดสามัคคีกันเขาจะแยกทางกันร่างกายก็จะหยุดทำงาน ลมหายใจก็จะไม่หายใจเข้ามีแต่จะหายมีแต่จะลม ม, ะมีแต่จะไหลออกน้ำก็จะไหลออกไปก็จะไหลออกไปเหลือแต่ธาตุดินก็คือส่วนที่เป็นส่วนแข็งเช่นหนังเนื้อเอ็นกระดูกอวัยวะต่างๆก็จะแห้งกรอบนัน้นหรอเน่าเปื่อยผุผพังไปกลายเป็นดินไปหมย นี่คือธรรมชาติของร่างกายที่ใจมาหลงครอบครองว่าเป็นตัวเราของเราใจนี้ไม่ใช่เป็นร่างกายแต่ใจไม่มีปัญญาพอได้ร่างกายมาแล้วก็คิดว่าเป็นตัวเราของเราพอคิดว่าเป็นตัวเราของเราก็จะมีความอยากให้ร่างกายนี้อยู่กับเราไปตลอดอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย แต่ธรรมชาติของร่างกายเขาเป็นอย่างนี้เขาเกิดมาแล้วเขาต้องแก่เขาต้องเจ็บเขาต้องตายไปไม่มีใครมายับยัง้งความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายได้ถ้าอยากให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะทุกไปเปล่าๆถ้าเฉยๆถ้ารู้ว่าห้ามไม่ได้แล้วก็หยุดความอยากไม่ให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ ก็จะไม่เดือดร้อนเหมือนกับเราดูร่างกายของคนอื่นเราไม่ได้มีความอยากเวลาร่างกายของคนอื่นเขาแก่เขาเจ็บเขาตายไปเราไม่เดือดร้อนเลยเพราะไม่มีความอยากแต่ถ้ามีความอยากถึงแม้ไม่ใช่เป็นร่างกายของเราก็เกิดความทุกข์ได้เช่นร่างกายของคนที่เรารักเช่นบิดามารดาสามีภรรยาบุตรธิดา ทั้งทั้งที่ไม่ใช่ร่างกายของเราทั้งทั้งที่รู้ว่าไม่ใช่ร่างกายของเราก็ยังมีความอยากไม่ให้เขาแก่ไม่ให้เขาเจ็บไม่ให้เขาตายพอเวลาเขาแก่ขึ้นมาก็ไม่สบายใจกันวุ่นวายกันไปหมดเวลาเขาตายขึ้นมาก็วุ่นวายกันไปหมดวุ่นวายเพราะความอยากอยากให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายถ้าไม่มีความอยากแล้วก็ดูแลกันไปตามอัตภาพ ดูแลกันไปตามบุญตามกรรมอยู่ได้ก็อยู่รักษาหายให้หายได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็อยู่ก็มันไปอยู่ไม่ได้จะตายก็ปล่อยให้มันตายไปมันเป็นเพียงแค่ดินน้ำลมไฟมันไม่มีตัวมีตนมันเป็นสมบัติชิ้นหนึ่งเหมือนกับเสื้อผ้าชุดหนึ่งเท่านั้นเองมันไม่มีตัวมีตนแต่เราไปหลงคิดว่ามันมีตัวมีตนเป็นตัวเราของเรา เป็นของพ่อของแม่ของพี่ของน้องของสามีของภรรยาของบุตรของธิดาของญาติสนิทมิตรสหายพอของเหล่านี้ตายไปก็ร้องห่มร้องห้เศร้าโศกเสียใจกันทําไมเวลากางเกงขาดเสื้อขาดทําไมไม่เห็นร้องห่มร้องห้ากันมันก็เหมือนกันน่างกายกับกางเกงกับเสื้อนี้มันก็เหมือนกันมันก็เป็นวัตถุอย่างเดียวกันทามาจากดินน้าลมไฟเหมือนกัน เพราะว่าเราไม่ไปหลงคิดว่าร่างกายเป็นตัวเรานั่นเองเราก็รู้ว่าร่างกายไอเสื้อผ้านี้เสื้อผ้านี้มันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเป็นเพียงเสื้อผ้าแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าร่างกายของเรามันก็เป็นเหมือนเสื้อผ้าร่างกายของคนอื่นก็เป็นเหมือนกันเหมือนเสื้อผ้าแต่นั้นเองตัวพ่อตัวแม่ตัวพี่ตัวน้องตัวภรรยาสามีไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ตัวพ่อตัวแม่นี่อยู่ในใจอยู่ที่ใจอยู่ที่ความรู้สึกนึกคิดตัวนี้แหละเป็นตัวพ่อตัวแม่ตัวพี่ตัวน้องตัวเราเราคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเรามันก็เลยหลงเชื่อไปหลอกตัวเองเพราะไม่มีใครสั่งใครสอนเกิดมาก็ทุกคนก็คิดเหมือนกันหมดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเรากัน ก็เราอยากไม่ให้มันแก่ไม่ให้มันเจ็บไม่ให้มันตายไม่ยอมดูความจริงไม่ยอมรับความจริงว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วก็ถ้าไม่รู้ว่าเวลาเกิดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะทำให้เกิดความทุกข์ทรมานใจมีพระพุทธเจ้าองค์แรกนี่ที่ทรงรู้ทรงเห็นว่าความทุกข์ของเรานี้เกิดจากความอยาก อยาให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี่เองท่านถึงมาสอนให้เราพิจารณาร่างกายนี้อยู่เรื่อยๆว่ามันไม่ใช่ตัวเราอมันเป็นเหมือนเสื้อผ้าชุดหนึ่งเท่านั้นเองเป็นเหมือนรถยนต์คันหนึ่งเป็นเหมือนวัตถุชิ้นหนึ่งทุกอย่างในโลกนี้มันมีเจริญมีเสื่อมไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นวัตถุข้าวของต่างๆมันมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับกัน ของทุกอย่างนี่ที่เราใช้อยู่นี่เดี๋ยวมันก็ต้องเสียไปหมดไปเครื่องขยายเสียงนี่ใช้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ต้องเสียเสียก็ซ่อมไปซ่อมได้ก็ซ่อมไปเดี๋ยวซ่อมไม่ได้ก็ต้องยโยนทิ้งไปขายเป็นเศษเลยขายเป็นชิ้นส่วนไปร่างกายของคนก็เหมือนกันเราใช้มันไปเรื่อยๆต่อไปมันก็ต้องชารดสุดโต้องต้องเจ็บใข้ได้ป่วย สมัยนี้สามารถเปลี่ยนชิ้นส่วนกันได้หัวใจเสียก็หาหัวใจมาใส่เปลี่ยนใหม่ได้ตับเสียก็เอาตับมาใส่ไตเสียปอดเสียก็เอามาใส่ได้ทำเปลี่ยนกันกี่ยวกันเดียวมันก็ต้องเสียนั่นหจนในที่สุดมันก็เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ถ้าเป็นเนื้อถ้าเป็นสัตว์เขาก็เอาไปขายต่อได้แยกชิ้นส่วนเอาไปขายได้ เอาเนื้อไปขายเอาตับไปขายเอากระดูกไปขายได้มีราคาแต่มนุษย์นี่กลับไม่มีราคามนุษย์นี่ประเสริฐกว่าสัตว์แต่เวลาตายนี่สู้สัตว์ไม่ได้สัตว์มีราคามีคุณค่ากับมนุษย์เพราะมนุษย์เขาไม่ขายกันก็ไม่ซื้อขายกันเขาตายแล้วเ็าก็เอาไปเผาเอาไปฝังแต่สัตว์นี่ตายแล้วเ้าเอาไปที่ตลาดต่อเอาไปขายได้เอาไปชั่งกิโลขายได้ สัตว์นี่มันคุณค่าน้อยกว่าตอนมีชีวิตอยู่แต่เวลาตายมันกลับมีคุณค่ามากกว่าคนคนมีคุณค่ามากกว่าจากตอนเวลามีชีวิตอยู่แต่เวลาตายไปนี่คุณค่ากลับมีน้อยกว่าสัตว์เพราะไม่มีใครนิยมจะซื้อคนมากินกันนั่นเองถ้าจ้านิยมกินคนได้นี่คนก็จะมีคุณค่าสารากศพนี่ก็จะไม่ต้องไปเผาให้เสียเวลาไม่ต้องไปเผาไปฝังให้เสียเวลา มีคนมารับซื้อไปกินต่อได้แต่ว่าเราไม่มีธรรมเนียมนิยมกินกินศพกินคนกันเท่านั้นเองเรามีแต่นิยมธรรมเนียมกินสัตว์ต่างๆสัตว์ยังไม่ต้องมีพิธีเผาศพกันไม่ต้องมีสุสานฝังศพสัตว์กันมันไปฝังในท้องของมนุษย์กันอยู่ในท้องของมนุษย์กันเนี่ยป่าชาพีดีบของสัตว์ก็คือท้องของมนุษย์นี่เอง เราจะไปกลัวผีตรงไหนเราอยู่กับผีตลอดเวลาผีมันอยู่ในท้องเรานี่ผีเป็ดผีไก่ผีหมูผีวัวผีควายนี่มันอยู่ทไหมันก็อยู่ในท้องเรานี่แหละเป็นสุสานท้องเราเนี่ยเป็นสุสานเป็นที่ฝังศพของหมูเห็ดเป็ดไก่ทั้งหลายเราจะไปกลัวอะไรไปกลัวผีตรงไหนเราอยู่กับผีตลอดเวลาผีจริงมันไม่หลอก ผีหลอกมันไม่ใช่ผีจริงผีหลอกก็คือเราหลอกตัวเราเองพอไปอยู่ที่ไหนคนเดียวผีมาเลยถ้าอยู่กันเป็นโหลอยู่เป็นสิบนี่ไม่มีมาผีไม่กล้ามาพอไปอยู่คนเดียวนี่ไม่รู้มันมาทันทีเลยพอเห็นใบไม้เคลื่อนไหวหน่อยก็ผีมาแล้วลมพัดใบไม้หน่อยนี่ก็ผีมาแล้วหนูวิ่งหน่อยก็ผีมาแล้วเสียงหนูวิ่งหน่อย เสียงศัสตร์วิ่งหน่อยนี่ก็คิดว่าเป็นผีกันนะนี่คความโง่ของมนุษย์เราใจของมวุษย์เรานี้ยังโง่มากยังขาดปัญญากันไม่มีเหตุไม่มีผลเพราะกลัวตายเพราะกลัวอยากจะกลัวกลัวตายไม่อยากจะให้ร่างกายตายพอมีอะไรที่แปลขึ้นมาหน่อยก็คิดว่าเป็นภัยกับตัวเอง ท, ทันทีแต่ถ้ามีปัญญาไม่กลัวตายแล้วก็ติดตามไปเลย ไหนเสียงมันเป็นไงก็ลองเดินไปดูมีหลวงพ่อองค์หนึ่งท่านไปนั่งอยู่ที่ในป่าช้านั่งภาวนาแล้วท่านก็ได้ยินเสียงแกล้งแๆล้งแกล้งอยู่ใกล้ๆหลุมศพอยู่ที่เขาเผาศพตอนต้นท่านก็กลัวแล้วพอตั้งสติได้ก็ในนีเรามาเพื่อจะมาดับความกลัวแล้วเราจะมายอมตายแล้วเราจะกลัวทําไมก็เดินไปหามันเลยเดินไปดูมันเลยไอ้เสียงมันดังแกล้แกล้งแกล้นี่มันเป็นอะไร พอเดินเข้าไปฉายไฟดูก็เห็นหมากำลังแทะกระดูกเนี่ยก็เท่านั้นเองใจเรามันคิดปรุงแต่งไปร้อยแปดพันประการพอได้ยินเสียงหน่อยเห็นอะไรเคลื่อนไหวหน่อยก็ว่าเป็นผีไปหมดเหมือนกระต่ายตื่นตูมเนี่ยกระต่ายนอนอยู่ใต้โคนต้นตาลนี่พอลูกตาลหล่นลงมาตกใจตื่นพอดีฝันว่าโลกกำลังถล่มก็เลยคิดว่าถล่มจริงๆ วิ่งวิ่งหนีกันเจ้าพอจอดตัวอื่นเห็นวิ่งมาก็ถามว่าเกิด อ, อะไรขึ้นก็บอกโลกกําลังถล่มทลายตัวอื่นก็ตื่นเต้นตกใจวิ่งตามกันเป็นฝูงไปเลยจนไปเจอพระราชเจอราชาสีราชาสีก็ถามว่าให้เป็นอะไรกันวิ่งมากันอย่างนี้ก็บอกว่าแผ่นดินถลม่มโลกมันถล่มตรงไหนไหนพาไปดูหน่อยสิกระต่ายมันก็กลัวราชาสีมากกว่ากลัวแผ่นดินถลม่มมันก็เลยต้อง มันเลยต้องกลับไปพอกลับไปถึงโคนต้นตาลก็ดูฝ่ไปก็เห็นมีลูกตาลอยู่ลูกหนึ่งนาราชเสศีก็บอกว่านี่แหละแผ่นดินถลม่มก็คือลูกตาล น, นี้ยมันหล่นลงมาจากต้นเนี่ยคือนิทานนี้สอนให้คนรู้ว่าคนที่ไม่ใช้สติปัญญากับคนที่ใช้สติปัญญาเป็นอย่างไร คนที่ใช้สติปัญญานี้จะไม่ตื่นตนกไม่ถูกหลอกได้อย่างง่ายได้อย่างเมื่อเร็วๆนี้ก็มีคนมาทํานายว่าโลกจะพังโลกจะระเบิดก็ตื่นเต้นตกใจหวาดกลัวกันไปต่างๆนานาพอถึงเวลาแล้วเป็นไงมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่ตื่นเพราะความอยากไม่ตายนี่พวกเราเกิดมาทุกคนอยากไม่ตายแต่ไม่เคยพิจารณาเลย ว, ว่าเกิดมาแล้วต้องตาย คนที่พิจารณาแล้วเขาจะไม่ตื่นเต้นตกใจกับเรื่องของความตายเลยเพราเรียกว่าเป็นเรื่องธรมธรมดาธรรมดาไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นตกใจตื่นเต้นตกใจอย่างไรมันก็ประหยุดความตายไม่ได้อยู่ดีไปตื่นเต้นตกใจให้มันทุกข์ไปเปล่าๆทําไมมันก็ไม่ได้ไปหยุดความตายได้คนที่มีสติมีปัญญาเป็นอย่างนี้พิจารณาร่างกายอยู่เรื่อยๆ พจารณาว่าร่างกายนี้เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปจเนันจนไม่จนไม่ลืมจนไม่กลัวความแก่ความเจ็บความตายเพราะกลัวไปก็เท่านั้นกลัวแล้วทุกกลัวไปทําไมสู้ไม่กลัวไม่ดีกว่าไม่กลัวแล้วสบายอยู่อย่างสบายไม่ต้องทุกข์กับความแก่ไม่ต้องทุกข์ ก, ก, กับความเจ็บไม่ต้องทุกข์กับความตายนี่แหละคือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการปฏิบัติ จากการเจริญสติที่ร่างกายกายกตาสติเราจะเข้าใจถึงธรรมชาติของร่างกายนี้อย่างถ่องแท้ทุกสรดทุกส่วนจะเข้าใจว่าร่างกายนี้เป็นเพียงดินน้ำลมไปไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นเหมือนเสื้อผ้าชุดหนึ่งเท่านั้นเองร่างกายนี้มันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปด้วยกันทุกคนไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็ตามร่างกายนี้มันไม่สวยไม่งาม มีสิ่งที่ไม่สวยงามต่างๆซ่อนอยู่ภายใต้ผิวหนังถ้าพิจารณาด้วยปัญญาแนละ้วผิวหนังก็ไม่สามารถปิดกั้นปัญญาได้ปัญญานี้สามารถมองทะลุเข้าไปใต้ผิวหนังได้มองเห็นอวัยวะต่างๆที่มีอยู่ภายในร่างกายนี้ได้อย่างหมดจดได้เห็นแล้วก็จะไม่เกิดการอารมณ์จะไม่เกิดความหงลงรักข้า ย, ยินดี ก็จะอยู่คนเดียวได้ไม่ต้องมีสามีไม่ต้องมีภรรยาถ้าต้องมีภรรยาต้องมีสามีก็ต้องมาทุกข์กับสามีกับภรรยากลัวเขาจะจากเราไปกลัวเขาจะตายจากเราไปกลัวเขาจะไปมีคนใหม่ก็มีแต่ความทุกข์ความสุขที่ได้จากสามีภรรยาก็นิดเดียวพอเกิดความทุกข์ความสุขนั้นก็หายไปหมดพอต้องมาทุกข์มากังวลกับว่าเขาจะอยู่กับเราไปถึงเมื่อไหร่ จะตาจากเราไปเ ม, มื่อไหร่หมือจะทิ้งเราเมื่อไหร่มันก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแล้วแต่พอเห็นว่าน่างกายนี้มันไม่สวยไม่งามมันก็จะไม่มีการมาลไม่มีการอาหลงไม่มีความไข้ไม่มีความอยากที่จะได้เขามาเป็นคู่ครองก็อยู่คนเดียวได้อยู่คนเดียวได้ก็สบายไม่ต้องมาทุกข์กับเขาเขาจะอยู่หรือจะไปก็เราก็ไม่เดือดร้อน ก็จะไปนอนกับใครจะก็จะไปชอบใครเราก็ไม่เดือดร้อนอันนี้แหละเป็นการดับความทุกข์ต่างๆสร้างความสุขที่แท้จริงขึ้นมาด้วยการไปปีกวิเวกแล้วก็ไปเจริญสติไปเจริญกายกตาสติกายกตาสตินี้เป็นทั้งสติเป็นทั้งสมาธิเป็นทั้งปัญญาถ้าจิตอยู่กับร่างกายไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้จิตก็จะว่างจะเย็นจะสงบ จะสบายถ้าพิจารณาดูว่าเป็นดินน้ำํำนมไฟคิดว่าพิจารณาว่าไม่เที่ยงพิจารณาว่าไม่สวยไม่งามก็จะเป็นปัญญาที่จะดับตัณหาความอยากที่ทําเป็นที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ได้การเจริญสติปัฏฐานสีน่นี้จึงเป็นรำภารกิจที่สําคัญอย่างยิ่งสําหรับผู้ที่ปรารถนามากขนิพาน ปรารถนาการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดต้องพิจารณาต้องเจริญสติที่กายก่อนแล้วก็ไปเจริญสติที่เวทนาแล้วก็ที่จิตแล้วก็ที่ธรรมถ้าได้ครบทั้งสี่ประการนี้ก็จะได้บรรลุมรกผลนิพพานนี่เป็นภารกิจที่พระพุทธเจ้าทรงมอบหมายให้กับพุทธศาสนิกชนให้นำเอาไปปฏิบัติถ้าปฏิบัติได้แล้วทรงพยากรณ์ไว้เลยว่า ไม่เกินเจ็ดปีเป็นอย่างมากก็จะสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ถ้าไม่เจ็ดปีก็เจ็ดเดือนถ้าไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดวันขึ้นอยู่ที่ความเพียรย้อขึ้นอยู่ที่ความสามารถขึ้นอยู่ที่สติปัญญาถ้ามีความเพียรมากมีสติปัญญาที่แหลมคมมีความเพียรที่แ ก, ก่กเจ็ดวันก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานได้ ดงนั้นขอให้พวกเราจงน้อมเอาสิ่งที่เลิศสิ่งที่ประเสริฐที่พระพุทธเจ้าได้ส่งรับผลแล้วแล้วเอามามอบให้กับพวกเราหน้าที่ของพวกเราก็อยู่ที่รับมาปฏิบัติเท่านั้นเองถ้าเราปฏิบัติได้แล้วมรรผลนิพพานที่เป็นของพระพุทธเจ้าก็จะเป็นของพวกเราต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา ก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุมโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาลิกุเรนติสากลังเอวเมวะอิโตทินางเปตานางอุปการปฏิอิจิตังปฏิตังตุมหังคิดปะเมวะสมิจเตุัพเพุเรนตุสังกะปาจันทูปนัาวะโสยะถา มานิจโตติระโสยถาสภิติโยวิวัจจันตุสัพพโลกวินาศตุมาเตภวะตวันตาาโยสุขีทีพายุโกภาวะอาภิวาทนสีลิตสนิจจังวุฒาปจายิโนจตารุธรรมวาทาติอายุวโนสุขัง ถาลายใครยังไม่ได้หนังสือซีดีก็เชิญก็้ัมาหยิบได้นะ อยู่ใกล้หน่อยสะดวกหน่อยนะบ่อยๆนะเข้าไปใน Facebook ได้เดี๋ยวนี้มี Facebook เขาเอาไปลงทุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยเดี๋ยวก็จะมีคำถามทาง Facebook มาเนี่ยองถามดูเนะี่ยครับต่อไปเป็นคำถามจากทาง Facebook เพระอาจารย์สุชาติพิชชาโตนะครับคำถามข้อแรกจากคุณ อ, อนนกนะครับ ถามว่าหากเราดื่มสุราในวงเล็บด้วยเลี่ยงไม่ได้ทางสังคมแล้วกลับบ้านไปสวดมนต์ภาวนารู้สึกตัวว่าสิ่งไม่สมบูรณ์ไม่ไม่บริสุทธิ์แต่อยากปฏิบัติบูชานั้นการปฏิบัติครั้งนี้จะเป็นคุณหรือเป็นโทษเป็นบุญหรือเป็นบาป ค, ครับการสวดมนต์ไหว้พระนี่เป็นบุญอยู่เสมอ ไม่ว่าจะทำบาปมาแล้วหรือไม่ได้ทำบาปมามันเป็นคนละเรื่องกันคนละบัญชีกันการทำบาปก็เป็นบัญชีของบัญชีบาปการทำบุญก็เป็นบัญชีบุญเหมือนกับเราเอาเงินไปฝากธนาคารอันนี้ก็เป็นบัญชีเงินฝากเวลาเราไปกู้อันนี้ก็เป็นบัญชีเงินกู้มันต้องใช้กันถ้ากู้เข้ามาก็ต้องใช้ถ้าไปฝากก็จะเบิกอบอกมาใช้เป็นของเราได้ทีหลัง การทําบาปอันนี้เช่นการดื่มชวามันก็บาปไม่ว่าจะในกรณีใดก็ตามแล้วการมาทํามาสวดมนต์ไหว้พระอันนี้ก็เป็นบุญแต่แต่ว่ามันจะขัดกันทั้นัเองเพราะว่าการทําบาปนี้การดื่มชวานี้มันจะทําให้ไม่มีสติถ้าดื่มมากๆถ้าไม่มีสติแล้วสวดมนต์ก็สวดไม่รู้เรื่องสวดไม่ถึงไหนแล้วสวดวนไปเวียนมา ดังนั้นผลที่จะได้จากการสวดมนต์ก็จะไม่ได้เหมือนกับเวลาที่ไม่ได้ดื่มสุราสวดไปก็อาจจะสวดไปแต่ที่ปากแต่ที่ใจนี้จะไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะไม่มีสติสตังการสวดมนต์นี้เพื่อจะทําใจให้สงบนี่เองแต่ถ้าไม่มีสติไปกับการสวดสวดไปแล้วมันก็จะไม่สงบดังนั้นถ้าอยากจะได้ผลจากการสวดมนต์ก็ต้องรักษาศีล เพราะถ้ารักษาศีลได้ก็จะสนับสนุนในการเจริญสติในการสวดมนต์จะทำให้เราไม่มีจิตใจว่าวุ่นขุนมัวกับบาปกรรมที่เราทำไว้ถ้าเราทำบาปทากรรมแล้วเวลามาสวดมนต์มันก็จะเป็นนิวรนขึ้นมาได้จะทำให้เรากังวลกับบาปที่เราทำไว้สวดมนต์ไปก็จะไม่สงบไม่ได้ผลดังนั้นก่อนที่จะภาวนา เช่นการสวดมนต์นี้ถือว่าอยู่ในในขั้นภาวนาก่อนที่จะภาวนาได้ต้องมีศีลก่อนต้องรักษาศีลก่อนก่อนที่จะมามีศีลได้ก็ต้องทําทานก่อนใจต้องใจบุญสุนทานถ้าใจบุญสุนทานแล้วก็จะรักษาศีลได้ง่ายเพราะคนใจบุญสุนทานนี้จะไม่ชอบทําบาป <c oughs> พอไม่ทําบาปใจก็จะไม่ว้าวุ่นขุ่นบัวก็จะไม่เป็นลิวอน ไม่มีความฟุ้งซ่านเวลาสวดมนต์ใจก็จะมีสติโยกการสวดไม่ต้องมาคิดมาวิตกกังวลกับบาปกรรมที่ได้ทำเอาไว้พอสวดไปด้วยสติไม่คิดอะไรใจก็จะได้ผลได้ความสงบตามมาดัางนั้นพยายามอย่าไปทําบาปอย่าไปดื่มเชื้รายาา่เาเมาพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าให้เราเอา เสียเพื่อนดีกว่าเสียตัวอย่าไปเสียดายคนอย่าไปเสียดายผลประโยชน์ต่างๆทางโลกนี้ผลประโยชน์ทางโลกนี้สู้ผลประโยชน์ทางธรรมไม่ได้ดังที่ทรงสอนว่าให้สละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะให้สละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตสละชีวิตเพื่อให้รักษาธรรมธรรมนี้สำคัญกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ เพราะทนี้แหละคือสารนังกระชามิของพวกเราธรรมังสารนังกระชามิถ้าเรามีธรรมังสารนังกระชามิเราจะปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงแต่ถ้าเรามีเพื่อนมีเงินทองมีร่างกายนี้มันไม่ได้เป็นสารณะนะเป็นที่พึ่งของใจดังนั้นอย่าไปเสียดายถ้าเราต้องเสียผลประโยชน์เพราะว่าเราไม่ได้ดื่มชูลายอมเสียไป ดีกว่าเสียศีลเสียธรรมศีลและธรรมนี้เป็นที่พึ่งของใจแต่ผลประโยชน์นี้ไม่ได้เป็นที่พึ่งของใจต่อให้ร่ํารวยเป็นมหาเศรษฐีมีเงินทองกองเท่าภูเขาก็ดับความทุกข์ใจไม่ได้อะว่าไปคําถามข้อต่อไปจากคุณวัฒนพงศ์นะครับพระที่สุสงไม่กลอนคิ้วไม่ผิดในพักธรรมมวินัยหรือครับ ตามปกติต้องโกนให้เรียบร้อยในวันโกนตูดื่อนสิบสี่ขั้มใช่ไหมครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเขาจะรักษาศีลข้อไหนอันนี้บางทีก็เป็นเรื่องของทิฏฐิเรื่องของความเห็นที่ไม่ตรงกันบางคนเขาก็อ้างว่าในสมัยพระพุทธการหรือว่าในพระไตรปิดกไม่ได้แสดงไว้ว่าจะต้องโกนคิวอันนี้ก็เขาเชื่อยอย่างนั้น ก็เป็นเรื่องของเขาอันนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยไม่เรื่องไม่ใช่เป็นประเด็นสามกันก่อนคิ้วหรือไม่ก่อนคิว้วก่อนผมหรือไม่ก่อนผมอันนี้เราต้องดูกาลเทศ ะ, ะดูว่าเราอยู่ที่ไหนเราอยู่กับใครเขาทําอะไรอย่างไรเราก็ทําตามเขามันก็จบถ้าเราทําแปลกแยกมันก็จะเป็นปัญหาขึ้นมาคือเขาก็จะต้องกําจัดเราให้ออกไปจากกลุ่ม เราอยู่กลุ่มไหนเขามีกฎมีธรรมเนียมประเพณีที่เขาต้องปฏิบัติตามกันถึงจะอยู่ในกลุ่มกันได้ดังนั้นเราอยู่ในกลุ่มไหนเขาโกนเขาโกนคิ้วเราก็โกนเราอยู่กับกลุ่มที่เขาไม่โกนคิ้วเขาไม่ต้องโกรนมันไม่ใช่เป็นประเด็นใหญ่โตสาคัญอะไรประเด็นสาคัญอยู่ที่ว่าใจของเราสงบหรือไม่ใจของเร า, เา ไ, มมไม่มีปัญหากับใครหรือไม่อันนี้สำคัญกว่า คำถามข้อต่อไปจากคุณนละพันนะครับสําหรับคนเริ่มปฏิบัตินะใหม่ข้อหนึ่งเวลานั่งสมาธิไปแล้วเกิดเวทนาเช่นขาชาเป็นเหล็บทําให้ไม่สามารถนั่งสมาธิต่อได้ควรทําอย่างไรอยากนั่งได้นานๆถ้าอยากจะนั่งต่อไปก็ต้องฝืนใจบริกรรมพุทธโธหรือสวดมนต์ไปอย่าไปคิดถึงความเจ็บของร่างกาย ถ้ามีสติจดจอ่ออยู่กับการบริกรรมพุโทโธพุโทโธหรือสวดมนต์ไปเดี๋ยวความเจ็บนั้นก็จะไม่เป็นปัญหากับใจเพราะปัญหาที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ความเจ็บของร่างกายแต่อยู่ที่ความอยากของใจเวลาเกิดความเจ็บแล้วใจจะอยากให้ความเจ็บหายไปหรืออยากจะลุกหนีจากความเจ็บนั้นไปอยากจะขับอยากจะขยับร่างกายอยากจะลุกขึ้นไป พอเกิดความอยากนี้แล้วไม่ได้ทํามันจะเกิดความเครียดเกิดความทุกข์มากกว่าความเจ็บของร่างกายที่ทนต่อไปนั่งทนต่อไปไม่ได้เพราะไม่ใช่เพราะเป็นความเจ็บของร่างกายแต่เพราะความอยากที่อยากจะลุกมากกว่าดังนั้นถ้าเราพยายามอย่าปล่อยให้ใจคิดอยากลุกอย่าไปคิดอยากให้ความเจ็บหายไปด้วยการบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปเรื่อยๆหรือสวดมนต์ไปเรื่อยๆ เดี๋ยวความอยากจะรู้ความอยากใช้ความเจ็บหายไปมันหยุดก็จะรู้สึกสบายใจนั่งต่อไปได้คำถามข้อที่สองจากท่านเดียวกันนะครับนั่งสมาธิกำหนดพุทธโธพอเวลาผ่านไปได้สักระยะลมหายใจที่ปลายจมูกเบามากทำให้ไม่สามารถจับลมได้ต้องพยายามสูตรลมหายใจแรงควรแก้ไขอ ย, อย่างไร ไม่ควรไปสนใจลมเลยถ้าอยู่กับพุทโธก็บริกรรมพุทโธไปลมจะละเอียดจนมองไม่เห็นไม่ก็ไม่เป็นเป็นปัญหาอะไรถ้าเรายังพุทโธบริกรรมพุทโธได้เราก็บริกรรมพุทโธไปความจริงถ้าเราจะบริกรรมพุทโธโดยไม่ต้องใช้ลมเลยก็ได้ใช้บริกรรมพุทโธไปอย่างเดียวหรือถ้าว่าเราใช้บริกรรมพุทโธควบคู่ไปกับลมแล้วเวลาลมหายไปก็อย่าไปยุ่งกับลมปล่อยให้ลมหายไป อย่าไปบงังคับให้ลมกลับมาเพราะว่าเวลาจิตจะสงบนี่ลมมันจะเบาลงไปเรื่อยๆพอเราไปบงังคับให้ลมกลับมาใหม่มันก็จะทำให้จิตหยาบขึ้นมาแทนที่จิตจะสงบก็เลยจะไม่สงบดังนั้นถ้าลมถ้าลมมันจะหายไปก็ปล่อยมันหายไปเราก็บริกรรมพุทโธของเราต่อไปจนกว่ามันจะวุบลงไปพอวุบลงไปแล้ว พุการบริกรรมพุทโธมันก็จะหยุดไปเองโดยธรรมชาติไม่ต้องไปบังคับมันเพราะตอนนั้นจิตเข้าถึงความสงบแล้วบริกรรมพุทโธก็จะหายไปเจ้าเหลืออยู่แต่อุเบกขาเหลือแต่สักแต่ว่ารู้ใจเย็นใจสบายมีความสุขคำถามข้อต่อไปจากคุณแม้นสีนะครับอยากทราบว่าโสดาปาริมัต แตกต่างจากโสดาปฏิผลอย่างไรบ้างม้าก็คือเป็นบันไดที่จะพาไปสู่คันที่เราต้องการไปเช่นเราจะขึ้นไปชั้นสองเราก็ต้องขึ้นบันไดหรือขึ้นลิฟต์ไปมันถึงจะไปถึงชั้นสองได้ถ้าเราไม่เดินขึ้นบันไดเราไม่ขึ้นลิฟต์เรายืนอยู่ชั้นที่หนึ่งมันก็จะไม่ขึ้นไปถึงชั้นที่สองได้ตรงนั้นม้าก็คือบันได โซดาปฏิมา ก, ก็คือการเจริญปัญญาเพื่อให้ละสกายะทิฏฐิละศีลภัตตปารมาละวิจิกิจฉาให้ได้อันนี้ถ้าถ้าพิจารณาด้วยปัญญาจนละสกายะทิฏฐิคือละคือละความเห็นที่ว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราได้ก็จะเป็นพระโสดาบันไดพอพอพอละได้ก็จะ ก็จะเห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปรากฏขึ้นมาในใจก็จะไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็พอละสั ก, กายทิฏฐิได้ก็จะละศีลพัตะปรารมาสได้เพราะศีลพัตปามาสนี้ก็คือความหลงเชื่อคิดว่าเวลาเกิดเหตุที่ไม่น่าปรารถนาเช่นเกิดความเสื่อมต่าง ความเสื่อมของร่างกายเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะไปบนบนันไปทําพิธีกรรมสะดเดาะเคราะห์ต่างๆคิดว่าทําแล้วจะช่วยทําให้ร่างกายหายได้แต่สําหรับผู้ที่พิจารณาเพื่อละส ก, กายะทิฏฐิจะเห็นว่าความแก่ความเจ็บความตายนี้เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องที่ห้ามไม่ได้ ร่างกายมันจะแก่จะเจ็บจะตายจะไป บ, บุญบาปไปทํำสะเดาะก็ทําอะไรต่างๆมันก็ไม่เกี่ยวกันมันคนละเรื่องกันก็จะไม่ต้องไปทําบุญสะเดาะก็ไปทําพิธีกรรมอะไรต่างๆนี่คือมักต้องเห็นเห็นว่าร่างกายนี้เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราถ้ารู้ว่าไม่ใช่ของเราเราก็ไม่เดือดร้อนใช่ไหม ถ้าไม่ใช่เป็นของเรามันจะพังไปเราก็ไม่เดือดร้อนบ้านคนอื่นพังไปเราเดือดรนะ้อนไหยไม่เดือดร้อนแต่บ้านเราพังไปเป็นไงเดือดรนะ้อนไหมเพราะเราต้องมองว่ามันไม่ใช่ของเราถ้าเรามองว่ามันไม่ใช่ของเราเราจะไม่เดือดร้อนเราก็ไม่ต้องไปทําอะไรมันปล่อยมันได้ปล่อยมันพังไปปล่อยมันเจ็บไปปล่อยมันตายไปนี่คือการเจริญมรรคสุคดาปฏิบัติ ต้งพิจารณาละสักสังโยชน์สามข้อแรกคือสกะะักกายทิฏฐิสีลพัตปรมา m a วิจิกิจฉาผู้ที่พิจารณาเห็นธรรมก็จะเห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเองปีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเห็นว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายเห็นอริยสัจสีว่าที่ทุกข์กับร่างกายก็เพราะเกิดความอยากอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย พอเห็นอย่างนี้ก็หยุดก็ละตันหาความอยากได้เพราะไม่อยากจะทุกข์พอละตันหาได้ความอยากได้ความทุกข์ก็จะหายไปอันนี้ก็พอความทุกข์หายไปก็จะเห็นความสงบเห็นธรรมขึ้นมาปรากฏขึ้นมาในใจก็จะรู้เลยว่าอ๋อนี่แหละคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้จิตของพระพุทธเจ้าจึงเป็นอย่างนี้จิตที่สงบนี่แหละคือธรรม ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตจิตของพระพุทธเจ้าก็คือจิตที่สงบนี้เองถ้าเราพบกับความสงบแล้วเราก็จะรู้ว่านี่แหละคือพระพุทธเจ้าผู้ที่รู้ว่านี้ก็คือพระอริยสงสาวุปคือพระสุวดาบัณ น, นี้มันก็จะไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่ามีจริงหรือไม่มีจริงไม่ต้องเดินทางไปถึงประเทศอินเดียเพื่อจะไปพิสูจน์ว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่ พิสูจนด้วยการบรรลุมรรคผลนิพพานนี่แหละครูบาอาจารย์ไม่มีหลวงปู่มัน่นท่านไม่เคยไปอินเดียหลวงตามาหาบัวท่านไม่เคยไปอินเดียท่านเข้าป่าเข้าเข า, เขาท่านเจริญมรรคเือโซดาปฏิบัติเจริญมรรคผลผนิพพานแล้วท่านก็จะเห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปรากฏขึ้นมาภายในใจของท่านนั่นเองคําถามข้อต่อไปจากคุณธนาการนะครับกราบนมัสการพระอาจารย์ กระผมเพิ่งเริ่มฝึกหัดนั่งสมาธิเลยอยากได้คำแนะนำจากพระอาจารย์เมื่อตอนกระผมนั่งไปเรื่อยๆพอรู้สึกว่านิ่งแล้วเกิดความรู้สึกเย็นซ่านไปทั้งตัวแล้วก็มืดลงกระผมอยากรู้ว่ากระผมต้องทำอย่างไรต่อไปครับถ้ามันเย็นซ่านมันสงบมันสบายก็ไม่ต้องทำอะไรไปล่อยให้มันเย็นให้มันสงบไปจนกว่ามันจะถอนออกมาเอง ถ้มันไม่สงบก็ต้องบริกรรมพุโทโธต่อไปจนกว่ามันจะถึงจุดที่ว่างจุดที่เบาที่สบายปราศจากความคิดปรุงแต่งใจเป็นอุเบกขาไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนไปกับรูปเสียงกลิ่นรสผลต พ, พะที่มาสัมผัสทางตาหูจมูกิืนกายนั่งอยู่เฉยๆได้ไม่เดือดร้อนร่างกายจะเจ็บก็ไม่เดือดร้อนกับความเจ็บอยาได้ยินเสียงอะไรก็จะไม่เดือดร้อนกับเสียงที่ได้ยิน อย่างนี้ก็เรียกว่าจิตสงบถ้าจิตสงบแล้วก็ปล่อยให้มันสงบไปจนกว่ามันจะอิ่มตัวพออิ่มตัวแล้วมันก็จะออกมารับรู้มามีอารมณ์กับรูปเสียงกลิ่นรสผดทะพะตอนนั้นถ้าอยากจะรักษาความสงบต่อก็ทําได้สองวิธีวิธีแรกก็คือให้เจริญสติต่อไปเหมือนกับตอนก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิถ้าเราบริกรรมพุทโธเราก็กลับไปบริกรรมพุทโธต่อ อย่าปล่อยให้ใจคิดไปด้วยเปื่อยอย่าปล่อยให้ใจคิดไปทางความอยากเพราะถ้าเกิดความอยากแล้วความสงบก็จะหายไปถูกทำลายไปวิธีที่สองก็คือใช้ปัญญาสกัดความอยากเวลาเกิดความอยากขึ้นมาก็ใช้ปัญญาพิจารณาเห็นโทษว่าความอยากนี้เป็นต้นเหตุของความของความทุกข์ของความไม่สงบและสิ่งที่อยากได้ก็จะไม่ได้ให้ความสุขดังที่คิดว่าจะได้ กลับจะได้ความทุกข์ขึ้นมาเพราะสิ่งที่ได้มาจะต้องเกิดแล้วก็ต้องดับไปมาแล้วก็ต้องหมดไปเวลามาก็ดีใจแต่เวลาไปก็จะเสียใจถ้าคิดอย่างนี้แล้วก็จะหยุดความอยากได้ใจก็จะสงบเป็นอุเบกขาเหมือนเดิมมีสองวิธีวิธีแรกเรียกว่าเจริญสติวิธีที่สองเรียกว่าเจริญปัญญาในขณะที่ออกจากสมาธิแล้วก็ พอมีเวลาว่างนั่งได้ก็ให้กลับเข้าไปนั่งสมาธิใหม่พยายามเข้าสมาธิบ่อยๆเข้ามากๆจนมีความชํานาญสามารถเข้าได้ทุกเวลาที่ต้องการเวลาจิตใจฟุ้งซ่านวุ่นวายอยากจะสงบก็สงบได้ทันทีหรือไม่เช่นนั้นก็จะเริญปัญญาดับความวุ่นวายให้ได้คําถามข้อสุดท้ายประจำสัปดาห์นี้นะครับจากคุณใครหนอผดษะนะครับ คุณแม่อายุเจ็ดสิบกแล้วไม่สะดวกไปอยู่วัดจะภาวนาที่บ้านควรเริ่มอย่างไรก็ที่บ้านก็ต้องสงบคือไม่มีอะไรมารบกวนควรจะทำที่บ้านให้เหมือนเป็นวัดคือไม่ให้มีแสงสีเสียงรูปเสียงกลิ่นลดมายั่วยวนกวนใจแล้วก็จเจริญสติอย่างต่อเนื่องรักษาศีลแปด แล้วก็จะริญนสติพุทธโธพุทธโธ เ, เดินยืนนั่งนอนก็เฝ้าดูอาการสาธิตดูร่างกายหรือว่าจะาจะบริกรรมพุทธโธไปก็ได้เวลามีเวลานั่งก็หลับตาแล้วก็บริกรรมพุทธโธไปหรือสวดมนต์ไปอย่าไปคุกคีอย่าไปคุยกับคนนั่นคนนี้อย่าไปเปิดดูทีวีอย่าไปกินไปดื่มในเวลาที่ไม่ไม่ใช่เวลาที่จะกินจะดื่ม อย่างนี้ถ้าทำอยู่ที่บ้านได้แต่มักจะเป็นสิ่งที่ยากเพราะเวลาอยู่ที่บ้านคนเขาจะไม่ถือสี่งแปลกกันคนเขาจะกินจะเดิมกันตามอารมณ์ตามความอยากอยากจะเดิมเมื่อไหร่ก็เดิมอยากจะรับประทานเมื่อไหร่ก็รับประทานอยากจะดูอยากจะฟังอะไรก็ดูฟังไปมันก็จะรบกวนผู้ที่จะแสวงหาความสงบถ้าเป็นเช่นนั้นเราต้องสร้างห้องให้พระให้แม่อยู่คนเดียว ห้องปรับอากาศไม่มีเสียงก็ไปลบกวนแล้วก็ขังแม่ไว้ในนั้นเลยแม่อย่าออกมานะแม่อยู่ในนั้นจนถึงวันพรุ่งนี้ถ้าอยากจะภาวนาถ้ามาวัดไม่ได้ก็ต้องทำบ้านให้เป็นวัดกระ้ายไหมอ่าต้องป่าวไม่ใช่ไม่บังคับกันไงหมายถาว่าแม่ต้องสมัครใจก่อนถ้า แ, แม่ไม่สมัครใจก็ไม่ทำหรอกไม่ต้องกลัวหรอก ถ้าแม่สมัครใจแม่ไปวัดไม่ได้แม่อยากจะอยากจะภาวนาอยากมีที่สงบก็ให้ลูกสร้างห้องสร้างเรือนรับรองอแยกออกจากบ้านอีกส่วนหนึ่งแม่คนมาวุ่นวายอมิโยมมง ก, กลูกศิลป์หลวงตาเนี่แหละตอนที่เขาไปอยู่วัดพอเขาออกจากวัดมาเขาก็ไปทํากุฏิในบ้านเขาแล้วก็เขียนไปว่านี่เป็นวัด แล้วแกก็จะขังตัวเองอยู่ในในในในบ้านนั้นภาวนาอยู่ในบ้านนั้นถือสีลแปดในบ้านก็จะเป็นเหมือนกุฏิวัดเลยจะไม่มีทีวีไม่มีอะไรต่างๆอันนี้ก็อยู่ที่เราถ้าเราไปวัดไม่ได้เราก็สร้างวัดขึ้นมาในบ้านเราก็ได้ไม่มีกฎหมายห้ามถ้าเราไม่ไปตั้งชื่อวัดเท่านั้นเอง <c oughs> วัดก็คือที่สงบเนี่ยเนี่ยสมัยวัดของพระพุทธเจ้าก็คือป่าเขานี่เองสมัยพระพุทธเจ้านี่ไม่มีวัดวาลาเหมือนสมัยนี้เนี่ยวัดที่แท้จริงต้องเป็นวัดแบบนั้นวัดป่าวัดเขาป่าเขานี่แหละคือวัดของของพระอริยเจ้าทั้งหลายครูบาอาจารย์พระอริยเจ้าทั้งหลายมากักจะไปบรรลุมรรคผลนิพพานในวัดแบบนั้นหลวงปู่มั่นก็ไป บรรลุที่ป่าในเชียงใหม่นะ่ยไม่มีใครที่จะไปบรรลุในบ้าน น, ะน้อยคนดังนั้นถ้าเราอยากจะบรรลุอยากจะปฏิบัติธรรมก็ต้องหาที่เป็นวัดจริงๆถ้าหาไม่ได้ก็ต้องสร้างวัดจริงๆขึ้นมาในบ้านเราก็ได้สร้างห้องขึ้นมาแล้วก็ปิดการรับรู้เรื่องราวต่างๆ ทั้งหมดแล้วก็คอยควบคุมใจของเราควบคุมความอยากของเราทําใจให้สงบให้ได้ดับความอยากให้ได้ก็จะบรรลุได้คําถามไม่มีแล้วครับแต่ว่ามีคุณงามฉดนะครับเขาอยากทราบว่าอยากพาลูกหลานมาปฏิบัติธรรมอ่ะจะมาได้วันไหนบ้างครับคือที่บนเขาที่บนเขานี่ไม่มีที่ปฏิบัติธรรมนอกจากมี เป็นที่แสดงธรรมฟังเทศฟังธรรมกันอย่างที่ญาติโยมมากันยังในวันนี้ส่วนที่จะอยู่ปฏิบัติธรรมนี้ต้องไปพักที่วัดยาณที่อยู่ข้างล่างเขาเขาจะมีที่พักให้อยู่ได้ครั้งละไม่เกินเจ็ดวันเจ็ดคืนถ้าอยากจะมาสำรองที่พักก็โทรไปที่หมายเลขศูนย์สามแปดสามสี่สามหกหนึ่งสี่ถึงหกหนึ่งห้าเบอร์หนึ่งจะเป็นเบอร์แฟกซ์ ไม่รู้ว่าเบอร์ไหนจะไม่ได้ลองโทรไปสองเบอร์นี้ดูศูนย์สามแปดสามสี่สามหกหนึ่งสี่หกหนึ่งห้าแล้วก็ต้องโทรในเวลาราชการเพราะถ้าเย็นแล้วเขาจะปิดสำนักงานจะไปไหว้พระสวนมนลงโบสถ์กันจะไม่มีคนรับสายมีใครอยากจะถามปัญหาอะไรไหม มีข้อนะครับอาจารย์ความอาความเชื่อของคนที่จะสร้างห้องปฏิบัติธรรมหรือว่าห้องพักเนี่ยครับมีความจําเป็นไหมว่าจะต้องอยู่ชั้นชั้นบนเสมอไปไว้ห้องใต้ดินหรือชั้นล่างได้ไหมครับอาจารย์หรือต้องอยู่แต่ห้องชั้นบนเสมอไปครับไม่จําเป็นหรอกที่ไหนก็ได้เพียงแต่ว่าคนในสังคมเขามีความเชื่อว่าถ้าเป็นห้องพระก็ต้องอยู่ ห้องอยู่ข้างบนอยู่ที่สูงมันเป็นความเชื่อเป็นการให้ความเคารพแต่ถ้ามันเป็นเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถที่จะไปสมมนน ต, าาสติเราอยู่ชั้นหนึ่งเนี้ยเราอยู่ตึกอาคารสูงยี่สิบชั้นแต่เราอยู่ชั้นล่างแล้วถ้าเราอยากจะสร้างห้องพระในในห้องของเราถ้าเรามาถือว่าต้องอยู่ชั้นสูงเราก็สร้างไม่ได้ดังนั้นเราก็อยากหย่าไป อย่าไปติดกับไอ้ความเชื่อแบบนี้แบบไม่มีเหตุไม่มีผลแต่ถ้าเราอยู่ในสถานที่ที่มันเลือกได้สูงต่ำเลือกได้เราก็ควรที่จะให้ของสูงอยู่เบื้องสูงของต่ำควรจะอยู่เบื้องต่ำแต่ถ้ามันอยู่กันคนละแยกกันอยู่เช่นสมัยนี้กุฏิพระมีสองชั้นนี่ชั้นบนกับชั้นล่าง ถ้าเชื่อพระที่มีพรรษามากกว่าก็ต้องอยู่ชั้นบนพระที่มีพรราน้อยกว่าก็ต้องอยู่ชั้นล่างแต่ทีนี้พระที่มีพรรษามากมักจะเป็นคนอายุมากคนแก่นี่จะให้เดินขึ้นบันไดนี้มันก็ลําบากกับพระแก่ถ้าถือก็ต้องก็ต้องปีนขึ้นต้องเดินขึ้นบันไดไปถ้าไม่ถือก็อยู่ชั้นล่างนนก็ไม่เป็นไรเพราะต่างคนต่างอยู่ไม่ได้ถืออะไรกัน ถ้าถือเงี้ย น, นั่งเครื่องบินข้ามพระวัดพระแก้วก็ข้ามไม่ได้เลเป็นนั่งเครื่องบินผ่านวัดวาลามนี่ก็ทํำยังไงอ่อยู่เหนืออยู่เหนือวัดแล้วเนี่ยเห็นไหม <ừ. S 1> มันขอให้มันมีเหตุมีผลให้มันมีการละเทสะก็แล้วกันถ้ามันเป็นเรื่องที่มันไม่เป็นเหตุมนผลก็อย่าไปกังวลกับมันมากจนเกินไปเรื่องทิศทางก็เหมือนกันบางทีก็บอก ทางพระแล้วต้องหันไปทางทิศตะวันตกเพราะพระพุทธเจ้าอยู่ที่อินเดียต้องหันหน้าไปทางทิศตะวันตกบ้างบางแห่งก็ต้องบอกหันหน้าไปทางทิศเหนือบ้างแล้วแต่อันนี้พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนเรื่องทิศทางทิศทางไม่สําคัญศาสนาของพระพุทธเจ้าคําสอนของพระพุทธเจ้าเน้นอยู่ที่กรรมเท่านั้นเองคือการกระทําทําดีจะหันหน้าไปทางทิศไหนก็ดีทั้งนั้น ทำชั่วหันหน้าไปทางที่ไหนก็ชั่วทั้งนั้นเห็นมันไม่ได้อยู่ที่ทิศทางไม่ได้อยู่ที่เลิกยามเช่นเวลาจะทำนาสติโอยต้องไปดูเลิกดูยามกันวุ่นไปหมดอย่านเวลาจะไปป้นธนาคารก็ต้องไปดูเลิกยามก่อนสิไม่ใช่ถึงมาเลิกยามดีไปป้นแล้วได้สาเร็จได้ผลสาเร็จมันก็ไม่ดีอยู่ดีเพราะเป็นกรรมไม่ดี เป็นการทำผิดศีลอันนี้ก็เรียกว่าเป็นบาปทางศาสนาเราทางสายพระป่าเราท่านจะถือหลักเหตุผลถือเลิกสะดวกถ้าทุกอย่างพร้อมก็โอเคเลยจะทอยกระถินเหรอวัดป่านี้ง่ายฉันเสร็จก็เอากันเลยไม่มีบบยก็ไม่เป็นไรนสาลาก็ทําได้แต่บางแห่งก็ถือเลิกก็ต้องเวลานั้นเวลานี้ อันนี้ก็เรื่องของแต่ละความเชื่อแต่ทางทางสายปฏิบัตินี่ท่านจะถือถือเหตุผลคือความพร้อมเพียงถ้าเหตุปัจจัยพร้อมที่จะทำภารกิจอันใดอันหนึ่งก็ทาไปเลยอย่ามัวรอเสียเวล่ำเวลาเวลาไม่คอยใครเมื่อพร้อมแล้วก็ทำให้มันเสร็จเสร็จไปเพื่อมันจะได้รับประโยชน์ทันทีทันใดเลย ไม่ใช่มามัวนั่งรอเลิกรอยางแต่ก็ไม่คัดค้านใครอยากจะถือเลืกิกถื อ, อยางก็เป็นเรื่องของเขาแต่ถ้าจะมาเกี่ยวข้องกับทางสายสายพาป่าแล้วท่านจะไม่เอาเลิกเอาอยางเป็นหลักท่านจะเอาความพร้อมเพียงเอาความเหมาะสมเป็นหลัก บุญที่งหักเราให้กับผู้อื่นนี้เราได้เสมอไม่ว่าจะให้กับใครถ้าเราให้ด้วยความเมตตาความสงสารหรือให้ด้วยความปรารถนาดีคือที่เราให้ให้อาหารกับพระเพราะเราเห็นว่าท่านต้องพึ่งเรา พระจะอยู่ได้ก็เพราะการให้ของญาติโยมมันก็เป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องให้ถ้าเราให้แล้วเราก็จะได้บุญคือความสุขใจเราได้บุญที่เกิดจากการเสียสลับการชนะความตนณหความหวงอันนี้ต่างหากที่เป็นบุญของเราส่วนผู้รับนี้เขาจะไปทำตัวเขาอย่างไรนี้มันเป็นเรื่องของเขาเพียงแต่ว่าถ้าเราไปทำบุญกับคนไม่ดี นอกจากมันก็จะทําให้เราไปส่งเสริมให้เขาทาความไม่ดีต่อไปถ้าเรารู้ว่าเขาไม่ดีเราก็อยากไปสนับสนุนเขาเท่านั้นเองแต่ถ้าเราไม่รู้เราก็ต้องยกประโยชน์ให้กับท่านไปเพราะเราก็ไม่รู้ว่าพระที่เดินมาเป็นบาปนี้ท่านเป็นพระแบบไหนบางทีอาจจะเป็นพระอาริยะก็ได้บางทีอาจจะเป็นพระทุศิลก็ได้อันนี้เราไม่รู้ ถ้าเราไม่รู้เราก็ทําด้วยการยกประโยชน์ให้ท่านไปว่าเราทําเพื่อบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปเพื่อทูเพื่อทำนุบํารุงพระพุทธศาสนาไปแต่ถ้าเรามารู้ทีหลังว่าบุคคลที่เราคิดว่าเราทําเพื่อให้เขามาทํานุบํารุงพระพุทธศาสนากลับมาทําลายพระพุทธศาสนาเราก็ต้องไม่ไปทํากับเขาต่อไปเท่านั้นเองแต่บญที่เรา ที่เกิดจากการให้ของเรานี้เราได้เสมอไม่ว่าเราจะให้ไข่แม้แต่ให้เดรัจฉานเราก็ได้บุญเช่นเราเห็นสุนัขโซเซมาอดอยากขาดแคลนไม่มีข้าวกินเราเกิดความสงสารเราก็หาข้าวมาให้มันกินเราก็ได้บุญเหมือนกันคือได้ความสุขใจที่เกิดจากการเสียสละของเรา ส่วน น, น, นีเาเาสว ด, ดากๆนจะัไปเราคไม่ค่อยได้รู้ว่าเรายักโะอะไรไปคำๆจริงๆแล้วส่วนมนเนี่เราต้อง จ, ง จ, จิ้งกัว่าโมตว่าลอยแล้วก็ต้องแล้าก็ต้องหยุดแล้วเริ่มต้นใหม่ถ้ามันถ้ามันส่วนเล้ใจลอยก็เราต้องหยุดแล้วก็กลับมาสวดใหม่อาจจะสวดช้าๆไปก่อนเอาทีละคำแล้วลอง ใจจดจ่ออยู่กับคําสวดอ่าอ่าต้องบังคับเหมันไปต้องบังคับให้มันอยู่นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตไปถ้ามันเริ่มลอยไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็หยุดอย่าไปสวดต่อสวดต่อก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะการสวดนี่เพื่อหยุดความคิดไม่ให้ใจลอยไปที่อื่นให้ใจเกาะติดอยู่กับบทสวดมนต์ บนอปาวสดใจเราต้องอยู่กับบทสวดอยู่กับคําสวดเราจะออกเสียงก็ได้ไม่ออกเสียงก็ได้อืสวดแบบไม่ออกเสียงก็ได้ออกเสียงก็ได้สุดแท้แต่ความเหมาะสมเป้าหมายของการสวดเพื่อให้หยุดใจไม่ให้ลอยไปลอยมาไม่ให้ไปลอยไปกับความคิดต่างๆอ่ บางครั้งก็ต้องไปอยู่ที่น่ากลัวพอหน้ากลัวแล้วมันจะสวดจริงๆเลยคนไม่เคยสวยดพอพอกลัวนี่มันสวดเป็นทันทีเลยห <c oughs> าที่พึ่งกันต้องรีบหาที่พึ่งกันพ้าป่าจึงชอบไปอยู่ที่หน้ากลัวเพราะจะได้บังคับให้สวดจริงๆ ไม่ได้สวดแบบลอยๆใจใจลอยไปรอยมาอมพอพอมันใกล้ายายใกล้ตัวแล้วเนี่ยมันจะต้องหาที่พึ่ง แ, แล้วมันก็เชื่อ ว, ว่าการสวดมนต์การได้เราเลิกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้จะปกป้องคุ้มครองเราแล้วก็จะสวดแบบจริงๆอย่างจังเลยพ็สวดจริงๆริงจังห้านาทีจิตก็สงบได้เลย เห็นความมาสจรรย์ของการสวดมนต์แลบว่าโอโห้สวนแล้ได้ความสงบอย่างนี้ถ้าสวดจริงจริงจังๆไม่ไปคิดเรื่องอะไรเลยความกลัวหายไปเลยแล้วก็จะรู้ว่าความกลัวมันไม่ได้อยู่ข้างนอกมันอยู่ข้างในนี่เองอยู่ในใจเราเองใจเราไปกลัวมันเองข้างนอกไม่มีอะไรน่ากลัว อาแล้วเนียถ um. ้าไม่มีอะไรก็เอาเพยงให้นี้ก่อนนี่แนเลยวแต่มีเนื้อหาสาระ